อันพระภูมิพระภาคเจ้ารัดดีแล้วเป็นธรรมอันภูปฏิบัติคูดได้บรรลุพึงเห็นเองเป็นธรรมไม่ประกอบด้วยกาลเวลาเป็นธรรมคณเรียกให้มาดูเป็นธรรมที่ขนน้อมเข้ามา ได้ในบทได้ในบทว่าโอปนาอโกก็คือน้อมจิตนี้เองเข้ามาน้อมเข้ามาทำไมก็ น, น้อมเข้ามาดูก็จะรู้จะเห็นและจะได้ความสำานึกว่า ธรรมะอันประภูมิประภาาเจ้จัก ด, ดีแล้วเพราะว่าเมื่อได้รู้ได้เห็นก็ได้รู้ได้เห็นจริงเหมือนดังที่จัดไว้นั้นทุกประการโดยที่ไม่ประกอบด้วยการเวลาและเรียกตนเอง ให้มาดูได้แนะนำผู้อื่นให้มาดูได้เพราะเป็นสภาพที่มีอยู่จริงบริสุทธิ์จริงแต่จะต้องน้อมจิตเข้ามาคือน้อมจิตเข้ามาดูการดูนั้นเรียกว่าอนุปัสสนาดูตาม อันเป็นลักษณะของสติประการหนึ่งเรียกว่าวิปัสนาดูเห็นแจ้งอันเป็นลักษณะแห่งวิปัสนาประการหนึ่งหรือเป็นลักษณะของปัญญาดูที่เป็นดูตามเป็นลักษณะของสติ ดูที่เห็นแจ้งเป็นลักษณะของมิปัสสานาหรือปัญญาและโดยปริยายคือทางอันหนึ่งก็อ น, น้อมกิตเข้ามาดูกายเวทนากิจธรรมอันรวมเข้าเป็น อัตภาพหรือตัวตนอันเป็นสมติบัญญัติที่ยึดถือกันอยู่ว่าเป็นตัวเราของเรานี้เองจะแสดงในข้อดูเวทนาคือน้อมเข้ามาน้อมจิตเข้ามา ดูเวทนาอันได้แก่ความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายทางใจที่มีอยู่ที่เป็นไปอยู่เป็นประจำและ เวทนาดังกล่าวนี้ก็สืบเนื่องมาจากกายนั่นเองเมื่อกายประชุมกันอยู่ทุกสิ่งที่เป็นกายปฏิบัติหน้าที่อยู่เช่นให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถใหญ่อิริยาบถน้อยอยู่อาการ 31อ็ดหรือสามสบสองมีผมคนได้บฝันหลังเป็นต้นก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทาาทั้งสี่ประชุมกันอยู่ก็ปรุงให้เกิดเวทนาทางกายบ้างทางใจบ้างในเมื่อกายดังกล่าว ได้ชมกันอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยดีไม่บกพร่องก็รงให้เกิดสุขเวทนาเวทนาที่เป็นสุขหากมีความบกพร่องบางเกิดขึ้นหรือว่ากระทบกับ เหตุเป็นเึรื่องเบียดเบียนภายนอกที่เกินไปหากมีความบกพร่องบางเกิดขึ้นหรือว่ากระทบกับเหตุเป็นเครื่องเบียดเบียนภายนอกที่เกินไปเช่นหนาวมากร้อนมากก็ให้เกิดทุกขเวทนา แต่เมื่อประทุมกันอยู่เป็นไปอยู่อย่างปกติธรรมดาไม่พอที่จะให้เกิดสุขเวทนาหรือหรือว่าไม่บกพร่องไม่ถูกเบียดเบียนมากไปให้เกิดทุกขเวทนาก็ให้เกิดเวทนาที่เป็นกลาง อันเรียกว่าทุกขมสุขเวทนาเวท น, นาที่ไม่ใช่ทุกขไม่ใช่สุขเวทนาดังกล่าวนี้ย่อมบังเกิดขึ้นพลัดเปลี่ยนกันไปอยู่ตลอดเวลา บางคราวก็เป็นสุขบางคราวก็เป็นทุกข์บางคราวก็เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งทางกายทาั้งทางใจพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกําหนดดูเวทนาทางกายทางใจที่บังเกิดขึ้นเมื่อ เสวยสุขเวทนาก็ให้รู้ว่าเราเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็ให้รู้ว่าเราเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอุทุกขมสุขเวทนาก็ให้รู้ว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาสําหรับในข้อเวทนานี้ภาษาธรรมะ นยมใช้คำว่าเสวยที่หมายความว่ารู้สึกหรือรู้เป็นเช่นรู้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเรียกอย่างคำแปลของเสวยตรงๆว่ากินหรือบริโภคซึ่งเป็นถ้อยคำที่ มาจากคำอาัตตาหรืออาตมาอาตมันที่มีคำแปลอย่างหนึ่งว่าสภาพผู้กินก็หมายถึงว่ากินสุกกินทุกข์หรือเป็นกลางกินกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขคือกินเวทนานี้เองดังชีวิตร่างกายของผู้ที่ยังดำรงชีวิตอยู่ ก็ย่อมมีความรู้รับสุขรับทุกข์รับเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะฉะนั้นจึงใชลักษณะดังกล่าวนี้มาตั้งชื่อว่าอัตตาหรืออัตมันที่แปลกันว่าตนจะเรียกว่ากินสุขกินทุกข์หรือเป็นกินกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขก็อาจจะไม่ไพเราะ จึงใช้คำว่าสวยและก็ใช้จำพาะสำหรับคำนี้สิ่งเป็นคำใช้ทั่วไปเป็นภาษาสำหรับจิดใจและร่างกายประกอบกันเมื่อน้อมจิตเข้าดูกายก็ย่อมพบเวทนาด้วยแต่เมื่อกำหนดกายมุ่งที่กายเป็นที่ตั้ง นั้นมากำหนดเวทนามุ่งเวทนาเป็นที่ตัง้งก็ยมพบกายด้วยพร้อมทั้งจิตใจเพราะอาการที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขนี้มีอยู่แก่ทั้งกายและทั้งใจรู้ที่เจ้าได้ตรัสสอน ให้ตั้งสติกำหนดดูเวทนาดัางนี้ก็เป็นการเลื่อนส ต, ติปัฏฐานขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเป็นขั้นกำหนดเวทนาอันเป็นขั้นที่ละเอียดขึ้นแต่ว่าก็เป็นละเอียดปนหยาบเพราะเวทนานี้เป็นไปทั้งทางกายเป็นไปทั้งทางจิตใจ เมื่อตรัดสอนให้กำหนดกายอันนับว่าเป็นอารมณ์ที่หยาบกำหนดได้ง่ายก่อนครั้นกำหนดกายได้ดีแล้วเวทนาก็ย่อมปรากฏแจ่มชัดขึ้นยึงได้ตรัสสอน ขั้นตอไปให้กำหนดเวทนาซึ่งนับว่ายังอยู่ในระหว่างทั้งหยาบทั้งละเอียดซึ่งกำหนดได้ง่ายไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตใจลุนล้วนเวทนาทางกายก็เป็นเรื่องของกายด้วยเวทนาทางจิตใจก็เป็นเรื่องของจิตใจแต่ว่า ทั้งกายทั้งจิตใจนี้ก็ต้องประกอบกันอยู่ที่ว่าเป็นเรื่องของกายก็เรียกว่ากายนําหน้าแต่จิตใจก็ต้องรับที่เรื่อว่าเป็นเรื่องของจิตใจนั่นก็คือจิตใจนําหน้าแต่กายก็ต้องรับด้วยก็เป็นอันว่าทั้งกายทั้งใจหรือทั้งใจทั้งกายก็ต้องเป็นสุขเป็นทุกข์ หรือเป็นกลางกลาไม่ทุกข์ไม่สุขร่วมกันการกําหนดเวทานานี้ก็คือทำสติกําหนดที่ความเป็นสุขหรือความเป็นทุกข์หรือความเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขของกายใจที่มันเกิดขึ้นและก็พึ่มเข้าใจว่าทั้งสามนี้ ไม่ใช่บังเกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อเกิดเป็นสุขก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อเกิดเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นสุขไม่เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อเกิดเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ เวทนาอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นในคราวหนึ่งแก่กายและใจนี้และเรียกกันว่ากลับไปกลับมากันอยู่ทั้งสามนี้เป็นประจำแต่อันที่จริงนั้นเรียกทางปฏิบัติว่า เกิดดับอยู่เป็นประจำคือสุขเกิดขึ้นดับไปจึงเกิดเวทนาอื่นขึ้นมาเช่นเกิดเป็นทุกข์และเมื่อทุกข์ดับไปจึงเกิดเวทนาอื่นขึ้นมาเชเป็นกลางๆลางไม่ทุกข์ไม่สุข เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้วเวทนานี้ย่อมเกิดดับอยู่ทุกอารมณ์ที่จิตรับเข้ามาอาจจะเป็นสุขเกิดดับเกิดดับซับซ้อนกันหรือเป็นทุกข์เกิดดับเกิดดับซับซ้อนกันหรือเป็นกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขเกิดดับเกิดดับสนซ้อนกันไปก็ได้ ในเมื่ออารมณ์ที่จิตรับเข้ามาเป็นที่ตั้งของเวทนาอันใดเวทนาอันนั้นก็ย่อมเกิดขึ้นแต่พูดกันอย่างธรรมดาเพื่อให้เห็นว่าเดี๋ยวเป็นสุขเดี๋ยวเป็นทุกข์เดี๋ยวเป็นกลางกลงไม่ทุกข์ไม่สุขก็พูดเหมือนอย่างว่าสุขแล้วก็ ต้องเป็นทุกข์ทุกข์แล้วก็ต้องเป็นสุขหรือว่าเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขไม่เกิดซ้ำกันเห็นว่าสุขสุขสุขต่อกันไปแต่อันที่จริงนั่นเกิดซ้ำๆกันได้แต่หมายความว่าต้องดับจึงเกิดใหม่คือเกิดดับเกิดดับเกิดดับ อารมณ์มันเป็นที่ตั้งของสุขเมื่อบังเกิดขึ้นกับจิตใจติดต่อกันสุขก็เกิดดับเกิดดับติดต่อกันไปอารมณ์เป็นที่ตั้งของทุกเกิดดับเกิดดับติดต่อกันไปทุกก็เกิดดับติดต่อกันไปดังนี้เป็นต้นเมื่อ งอมจิตเข้ากำหนดดูเวทนาเมื่อจิตสงบตั้งมัน่นดูอยู่จึงจะเห็นเวทนาที่เกิดดับเกิดดับดังกล่าวนี้ละเอียดเข้าละเอียดเข้าจะรู้ว่านี่กำลังเป็นสุขสวยสุข นีกำลังเป็นทุกข์สวยทุกข์มีกำลังเป็นอนทุกขามาสุขหรือสวยอทุกขามาสุขพระพุทธเจ้าครั้นได้ตรัสสอนให้ตั้งสติน้อมจิตเข้ามาตั้งสติกำหนดดูเวทนาที่เกิดขึ้นดับไป สุขบังทุกบั ง, บงเป็นกลางกลางไม่ทุกไม่สุกบัางดังนี้แล้วก็ตรัสสอนให้รู้จักจำแรกประเภทเวทนาดังกล่าวนี้ออกเป็นสองส่วนคือที่เป็นสามิตรมีอามิตรอันเป็นเครื่องล่อใจ ทักนำใจประกอบเวรกิเลตให้เกิดเวทนาอย่างหนึ่งเป็นนิรามิตคือไม่มีอมิตเครื่องหลอดใจทักนำใจอันประกอบเบรกิเลตให้เกิดเวทนาอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าอารมณ์ เป็นที่ตั้งของเวทนานั้นประกอบริอามิตรคือเครื่องหลอใจชักนำใจอันประกอบริกิเลสซึ่งเรียกว่าอามิตรเฉยๆหรือเรียกว่าโลกามิตรเครื่องหล่อของโลกหรือเรียกว่า เคหะสิตะที่แปลว่าอาศัยเรือนอันหมายความว่ากามะคุณอารมณ์ทั้งปวงเพราะว่าบ้านเรือนนั้นย่อมต้องประกอบด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผลถัะทพินารกใครประถนาพอใจทั้งหลายจึงเรียกว่าเคหะสิตะอาศัยเรือน เมื่อจิตได้รับอารมณ์ที่เป็นเคหะสีตะอาศัยเรือนหรือเป็นโลกามิตรซึ่งหล่อของโลกโดยเป็นรูปบั่งเป็นเสียงบั่งเป็นกลิ่นบ้างเป็นรสบั่งเป็นผดถัพพะสิ่งถูกต้องบั่งตลอดจนถึงเป็นธรรมะคือเรื่องราวของใจที่คิดนึกบ้างอันเป็นที่ตั้งของกิเลสทั้งหลาย กองราคะหรือโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างหรือเป็นที่ตั้งของตัณหาความริ้นรนทยานอยากต่างๆก็ให้เกิดเวทนาที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างที่เรียกว่าสามิตมีอามิตรคือเครื่องล่อเครื่องชักจูงใจของโลก ซึ่งเรียกว่าโลกามิตรเรียกว่าเคหาสิตะอาศัยเรือนเป็นต้นว่านึกคิดตรึกตรองไปถึงรูปเสียงกลิน่นรสผพตภัะธรรมะคือเรื่องราวที่น่ารักใครปรารถนาพอใจซึ่งเคยได้รับมาแล้วในอดีตก็ตามกำลังรับอยู่ก็ตาม ก็ให้เกิดสุขเวทนาเวทนาที่เป็นสุขสวยสุขเมื่อนึกคิดตรึกตรองไปถึงอารมณ์ทั้งหลายดังกล่าวนั้นคือที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจที่ต้องการจะได้แต่ไม่ได้อยู่ในปัจจุบันหรือนึกถึงในอดีตที่ไม่ได้ก็เกิดทุกขเวทนา ตวเวยเวทนาที่เป็นทุกข์หรือเมื่อระลึกนึกคิดไปถึงอารมณ์ทั้งหลายดังกล่าวนั้นที่เป็นกลางๆไม่พอจะให้เกิดสุขไม่พอจะให้เกิดทุกข์ก็เกิดอุเบกขาเวทนาหรือที่เรียกว่าอาทุกข์ขมสุ ข, ขเวทนาเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขคือเวทนาที่เป็นกลางๆที่คนทั่วไป มีกันอยู่ดังนี้ก็เรียกว่าเป็นสามิตรมีอมิตรคือเครื่องหลอกของโลกหรือเครื่องชักจูงอันประกอบด้วยกิเลสแต่เมื่อเป็นไปในทางตรงกันข้ามคือเช่นได้ระลึกตรึกตรอง ถึงรูปเสียงเป็นรถโพตพัธรรมะคือเรื่องราวที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจหรือไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจก็ตามที่กำลงังรับอยู่หรือเคยได้รับมาแล้วแต่พิจารณาเห็นว่าเป็นอนิจจคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ต้องแปรปลวนเปลี่ยนแปลงไปปรงใจลงได้ในคติธรรมดาของสังขารทั้งหลายดังกล่าวนี้ก็ได้สุขเวทนาเวทนาที่เป็นสุขดังนี้ก็เรียกว่าเป็นสุขที่เป็นนิรามิตไม่มีอมิตเป็นเครื่องล่อและในบางคราวก็พิจารณาดังกล่าวนั้น ว่าอารมณ์ทั้งปวงนางกล่าวนั้นเป็นอนิจจไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันเป็นธรรมดาต้อมานึกถึงว่าท่านไหนหนอเราจึงจกักครอบงำเวทนาเหล่านี้ได้ไม่ต้องเป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามอารมณ์โลกทั้งหลาย ซึ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทำไมเราจึงไม่สิ้นทุกข์เหมือนอย่างพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ท่านสิ้นทุกข์แล้วมานึกถึงตัวเองขึ้นมามาทำไมจึงไม่สิ้นทุกข์กันสักทีหนึ่ง ต้องเป็นทุกข์อยู่กับเรื่องของโลกทั้งหลายซึ่งต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปดังนี้อยู่เรื่อยก็เกิดเป็นทุกขก เ, เวทนาขึ้นมาดังนี้ก็เป็นนิรามิตรทุกขทุกขที่ไม่มีอมิตรเป็นเครื่องหลอกเป็นเครื่องชักจูงใจประกอบในกิเลสเป็นทุกข์อันเกิดจากการที่ ไม่ใดบรรลุถึงความสิ้นทุกข์เหมือนอย่างท่านผู้สิ้นทุกข์ทั้งหลายหรือในบางคราวเมื่อนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายและก็พิจารณาเห็นอนิจจะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต่องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปกุฎาอุเบกขาคือความวางเฉยในอารมณ์นั้นไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุข ดังนี้ก็เป็นอทุก ข, ขมสุขเวทนารูเบขาเวทนาที่เป็นนิรามิตไม่มีอมิตเป็นเครื่องลอกนิรามิตนี้เรียกว่าในคขมมัิตะอาศัยในคขมมะก็ได้คืออาศัยการออกออกจากตามทางใจ ใจโปร่งเห็นอนิจจ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปใจก็ไม่ใครใจก็ไม่ติดจึงเรียกว่าเรียกวันเนคขมะสิตะอาศัยเนคขมะตรงกันข้ามกับเเคหะสิตะอาศัยเรือนเมื่อเป็นเคหะสิตะอาศัยเรือนก็เป็นสามิตรประกอบด้วยอามิตรคือเครื่องหลอ่อเครื่องชักจูงอันประกอบด้วยกิเลส เมื่อเป็นเนคขมมสิตะอาศัยเนคั ม, มะก็เป็นนิรามิตไม่ประกอบในอามิตรเครื่องล่อเครื่องชักจูงอันประกอบในกิเลสเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ทำความรู้ด้วยน้อมจิตให้เป็นโอปันญิโกดูเวทนาให้รู้ แบบเป็นประเภทไหนเมื่อสวยสุขเวทนาที่มีอมิตรก็ให้รู้ไม่มีอมิตรก็ให้รู้เมื่อสวยทุกขเวทนาที่มีอมิตรก็ให้รู้ไม่มีอมิตรก็ให้รู้เมื่อสวยอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาที่มีอมิตรก็ให้รู้ที่ไม่มีอามิตรก็ให้รู้ตามที่เป็นจริงดังนี้ เป็นการปฏิบัติตั้งสติกำหนดเวทนาอันเรียกว่าเวทนารุปัสณาสิปฐานตั้งสติกำหนดคือตามดูเวทนาต้องอาศัยธรรมะที่เป็นโอปนญิีโกคือน้อมจิตเข้ามาดูจึงจะเห็นเวทนาตามที่ตรัสสอนไว้นี่ ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป